ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำเต็มกำลังของเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเขาเอาไปได้เอาไปเสียเอาไปไม่ได้เราก็เก็บมาไว้ต้องการจะเอามาเป็นพยานเป็นหลักฐานนะไปมาไปชี้ให้เขาดูฝีมือของนักขาไม้พยู ผเห็นแก่ตัวมากนะสมบัติของชาติสมบัติของทุกคนเลยนะเอามาเป็นของตัวเองมีสี่ความอยากพอเห็นว่ามันถูกต้องนั่นแหละคือจะละเลยมันก็ละเลยไม่ได้เราก็บอกความจริงไปกว่าเท่านั้นเราก็ไม่ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้นะเราพูดเป็นกลางพูดตามความจริงที่มันเกิดขึ้นเลยนะ ใจมันก็นลงเนอะเออเราเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมด้วยแล้วการกระทําอย่างนี้มันทําให้ธรรมเนี่ยมันไม่มีในใจขนด้วยนะเนี่ยไอพฤติกรรมแบบนี้นะมันเป็นคําให้ธรรมเนี่ยมันมันยิ่งห่างไกลจากจิตใจเลยนะอาธรรมเนี่ยมันเข้าไม่พอมจิตใจมีความประพฤติ ท, ที่ไม่เหมาะสมเนี่ย วิสมัจริยาความประพฤตททิไม่เหมาะสมมนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีความประพฤติเททหมาะสมเขาเรียกสมัมสมจริยาคือมีกุศลกับมบรรสิทธิ์พวกนี้วิสมัจจริยาอธรรมะจริยาไม่เป็นธรรมความประพฤติ ท, ที่ไม่เป็นธรรมทำลายธรรม ยิ่งให้ความไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมขยายตัวออกไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ธรรมะเนี่ยมันน้อยลงไปคนที่จประพฤติ ธ, ธรรมมันก็จะน้อยลงไปทำอย่างนี้จะให้ธรรมะมันแข็งขึ้นมาธรรมะคือความถูกต้องนะทำแล้ว เ, เป็นเครื่องมือฝึกขิตไปด้วย อยาบใจไปดุ่มร้อนไปกับเรื่องราวข้างนอกบางทีทำแล้วใจมันเนี่ยมันอยากให้ได้ดังใจอะ่ะเหมือนนักกีฬาเนี่ยเลาลงแข่งขันแ่นที่เราทำใจเป็นกลางเราซ้อมมาดีแล้วเราก็แข่งไปมันเป็นอาชีพการแข่งขันก็แข่งไปมันทำใจไม่ได้ใจดุ่มร้อนอยากจะชนะ ก็เหมือนกันบางทีทําไปใจมันก็อยากอยากหวงแหนอยากรักษาไม่อยากให้เขาเอาไปเป้าหมาย่าใช่เราอยากรักษาแต่เวลาทําจริงๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันต้องเป็นปกติจิตของเราต้องไม่รุ่มร้อนไปกับมันมันต้องมาทําเพื่อดูใจเหล่านี้ดูลดเนี่ย ห่อดอยู่เฉยๆตรวจดูสภาพภายนอกเปิดดูนู่นดูนี่เออเรียบร้อยแล้วต่อมาก็สตาร์ทเครื่องฟังเสียงต่อมาขับดูดูการเคลื่อนไหวเวลาปฏิบัติทรรมเนี่ยมันก็เหมือนดูรถนะถ้าเรานั่งเนี่ยก็ดูนิ่งๆดูเฉยๆดูอยู่กับที่อ่เหมอนรถมันจอดอยู่อะดูดูข้างในมีสติ ควบคุมจิตเอาไว้แล้วก็ดูอันนี้รถจอดอยู่นิ่งๆพยายามให้จิตอยู่นิ่ ง, งจๆจิตเฉยๆแต่ของเรานี่บางทีจะให้มันนิ่งๆมันยังไม่นิ่งมันกนไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเวลาทําก็ทําไปตามความคิดไปตามความรู้สึกอนนั้นเพราใจมันไม่นิ่ง เพราะนั้นเราต้องย้อนเข้ามาดึงจิตเข้ามาก่อนให้มันหยุดซะก่อนนิ่งซะก่อนเนี่ยถ้าม่นิ่งอะ่ะมันวิ่งตามความอยากวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามความรู้สึกทําตามความรู้สึกทําตามอารมณ์พูดตามอารมณ์เนี่ย ป, ปัญหามากเลยนะทําไปแล้วก็เกิดปัญหาพอมันทำไปตามความรู้สึกของตัวเองตามความคิดเห็นของตัวเองตามความอยากความต้องการทุกี คิดว่าอย่างนั้นจะดีคิดว่าอย่างนั้นจะถูกคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ใจทุกเองหมดเลยนะแล้วพอไม่ได้อย่างใจไม่เป็นอย่างที่เราต้องการงูหิดนะเนี่ยว้าวุ่นเนี่ยขุนมัวใจมจะงงขี้สันมันจึงต้องเข้ามาดูจิตเราซะก่อนจะทำอะไรรักษาจิตไว้ดูนิ่งๆดูเฉยๆทีนี้ถ้าหากว่าเราทำงานทำกิจกรรมมีกิจกรรม นีเรียวดูรถกำลังวิ่งฟังเสียงฟังทุกอย่างควบคุมมันให้นอยู่ในอานาจของเราจิตเราต้องมั่นคงจิตเราต้องหนักแน่นมันก็ต้องทำงานหลายอย่างเพราะรถกำลังวิ่งเรากำลังควบคุมรถไปด้วยฟังเสียงไปด้วยตรวจสอบอะไรไปด้วยเนี่ยเปรียบเทียบว่าเรานั่งอยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆมีอะไรกระทบเนี่ยเหมือนกับมัน มันดูรถที่อยู่จอดอยู่นิ่งๆมันก็ดูง่ายกว่าแต่ว่าความรู้ที่เราได้มามันน้อยกว่าตัวปัญญาณที่จะรู้เรื่องรถให้แน่ใจเนี่ยว่าเครื่องยนต์กลไกอ่ะมันสมบูรณ์แบบจริงไหมเสียงของมันเนี่ยเป็นยังไงเวลาวิ่งไปเนี่ยมันนิ่มนวลไหมมันเบาไหม มันลาบเรียบไหมมันก็เหมือนเราดูดูจิตเราเวลามันมันเคลื่อนไหวเวลาทํานู่นทํานี่มันก็มีอารมณ์กลัวกังวลขึ้นมามันก็ต้องมีปัญญาด้วยนีย่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครกล้ามาเกี่ยวข้อง มันเป็นความผิดที่เขาทําเราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราอยูไม่กลัวใครมาแสดงตัวเอาเรียบร้อยผลประโยชน์ตอบแทนหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของก็ยิ่งดีกลัวเขามาเอาไปหรือว่ากลัวเราเนี่ยไม่ทันเขาไม่กลัวเราทําเต็มที่ได้แค่ไหน้นเอาแค่นั้นเราทํำเต็มความสามารถของเราแล้ว เราทำได้แค่นี้ก็แล้วไปเนี่ยจิตเรามันก็สบา ย, ยว่าเราวางได้แล้วเอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเขาเอาไปก็เอาไปเขาาไปล้วก็จะเสียดายไม่อยากให้เข้าไปก็ไม่ถูกอีกนีน่จริงว่าต้องให้จิตเราเนี่ยเป็นปกติให้ได้พิจิตเข้ามาหาตัวเราที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเนี่ย ก็พระองค์รู้ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องไหลไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามากระทบแล้วมันก็ไหลไปไหลไปปรุงแต่งไปคิดนึกไปรู้สึกอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นด้วยคือในขณะที่มันคิดไปไหลไปเนี่ยมันได้คิดเฉยๆนะทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งหวั่นไหวทั้ง ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรซ้อนเข้ามาสาราพัดเลยนะแล้วก็รวดเร็วด้วยเนี่ยมันจึงเอาทุกขเข้ามาให้กับตัวเรามีใครสอนแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตเข้ามาก่อนเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่กับตัวเราซะก่อนให้มันนิ่งซะก่อนให้มันอยู่ซะก่อนไม่งั้นอารมณ์อื่นๆมันครอบงําจิตครอบงําจิตมันก็มีผลต่อจิตเนี่ย มันก็มีอิทธิพลต่อจิตนะมันมีอำนาจเหนือจิตเราอะเรามองไปก็เห็นแต่อาการของจิตเราเนี่ยทั้งคิดทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งปรุงแต่งทั้งวุ่นวายสารพัดเนี่ยทีนี้เราพยายามที่จะมีสติคมจิตไว้ยับยั้งมันไว้แคมอยู่ในอำนาจของเราซะก่อนเนีย่ยทีนี้ไอ้พอเราตั้งสตินะมีสติสติเรามีกำลังต่อเนื่องต่อเนื่อง จิตที่เคยออกไปอะไหลไปมันเหมือนกับมีอะไรมากั้นมันไว้อะคือคุมมันไว้กํากับมันไว้มันจะไปเอ้ยอย่าไปอย่าไปมันก็อยู่เนี่ยมันจะไปอีกแน่แน่น่น่มันก็อยู่อีกะต่อไปสติมีกําลังมันทําท่าพอชําเลืองไปมันก็หยุดเนี่ยมันก็ค่อยๆสงบลงไปต่อไปมันก็อุ้ยไปเนี่ยทุก เดือดร้อนวุ่นวายเอ้ยไม่ไปดีกว่าเนี่ยจิตเองมันก็จะมีปัญญาขึ้นมาเองด้วยเราฝึกไปเนี่ยมันก็ค่อยๆมีปัญญาขึ้นมาแต่เราไม่ใช่ว่าเราไปอยากให้มันสงบอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเพราะท่านทรงรู้แล้วว่ามันจะจ้องเริ่มแบบนี้ต้องเริ่มการมีสติการจิตไว้ควบคุมจิตไว้กำกับจิตไว้เสียมันเล็ดลอดไปทํามันเล็ลอดไปเมื่อไหร่อ่ะ เนี่ยมันก็ไปปรุงแต่งอย่างไรมันนึกไปถึงเรื่องที่มันเคยเจ็บปวดขึ้นมามันเคยมีความทุกข์ทรมานขึ้นมาเนี่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละว่าเข้ามาในจิตเนี่ยหลุมร้อนเดือดร้อนแล้ว ก, ก็จุดปรุงอะไรอีกมากมายกายกองเลยเนี่ยเพราะว่าสติเราอ่อนกําลังจิตเรามันเร็วมันก็เผลอไปสติเราอ่อนมันเผลอแต่เราคุมมันไว้ ทีนี้มันอยู่ได้ทีนี้ไอ้อสังขารพวกนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงลดลงไปจนกทั่งมันดับไปเนี่ยมันก็เกิดความสงบขึ้นมาอินมใจขึ้นมาเบิกบานขึ้นมามีความสุขขึ้นมาแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วจิตใจความทุกข์ที่มันโอโ้ยเหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นจะตายเนี่ยมันก็เห็นทางออกออออย่างน้อยมีทางออกออกก็คือออกทางจิตใจเรานี่แหละ ถ้มันกําลังกุ้มลุมอยู่นะเราปั๊บเนี่ยคมจิตได้โอ้โหจิตมันเหมือนกับปัญญามันก็ตามมาด้วยนะมันเห็นเป็นเรื่องข้างนอกเลยนะไอ้พวกอารมณ์ต่างๆพวกสังขารที่มันปรุงแต่งจิตอแต่ก่อนเราเห็นว่ามันเป็นเราหมดนะคิดอะไรไปอันนั้นอันนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราหมดแต่พอมันสงบเข้ามาได้มันไม่ใช่ตัวเราสักหน่อ ย, อยมันเป็นเรื่องสังขารสิ่งที่มาอาศัยจิตเกิด ผู้เจเรียกว่าสิ่งที่มาอาศัยจิตเกิดบางท ah ีท่านก็เรียกว่าเจตสิกชื่อเป็นทางการของมันเป็นภาษาบาลีเเจตสิกคือสิ่งที่อาศัยจิตเกิดแล้วก็อาศัยจิตดับด้วยมันเกิดในจิตแล้วนี้ดับในจิตแล้วเนี่ยอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับพระองค์ไม <osely anda> ่ได um <c ười> <quand S 1> ้บอกว่ามันเป็นเราเลยนะมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเราก็ลองทําตามสิโอ้ อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นความคิดปรุงแต่งอ้อจริงจงมันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันไม่ใช่เราสันหน่อยเราก็อย่าไปยึดสังขารพวกนั้นว่าเป็นเราบางทีเราก็เรียกมันว่าเป็นสังขารอีกชื่อหนึ่งคือมันมันมีหลายชื่อแล้วแต่เราจะเรียกคือถ้ามองในแง่ว่าเออมันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับท่านก็เรียกว่าเจตสิกเสียแต่ถ้ามองในรูปของขันห้ามันก็เป็นสังขารละขันกองแห่งสังขารคือสิ่งปรุงแต่ง มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่มันมาอาศัยจิตปรุงแต่งขึ้นในจิตแล้วมันก็ดับไปในจิตเราก็เลยเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งกองแห่งสิ่งปรุงแต่งจิตปรุงแต่งขึ้นมามีปรุงแต่งในจิตเราเนี่ยซ่างขานพวกนี้มันค่อยๆอ่อนลงไประงับลงไปใจเราก็สบายขึ้นมีผู้เจ้ารู้เพราะนั้นต้องหาทางให้สติมีกำลังทำสติให้ติดต่อ ช่องทางไหนที่ทาให้สติเราอ่อนกำลังเราต้องหยุดเนี่ยมันต้องสามารถรู้จักเดยนะว่าทำยังไงไอสติเราจะมีกำลังทำยังไงเกี่ยวข้องกับอะไรที่สติเราอ่อนกำลังเราก็ต้องพยายามทำให้สติเรามีกำลังขึ้นมาท่านถึงว่าต้องมีการสำรวมมีศีลศีลหนึ่งก็คือไหลมัดระวังการกระทาของเรา บางอย่างทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้จิตพุ่งผ่านทาให้จิตว้าวุ่นเราก็ไม่ทำเหตุที่จะทำให้จิตว้าวุ่นทำให้จิตแสบไปทางโน้นสายไปทางนี้มันก็หยุดได้เนี่ยมันก็เบาลงแล้วคำพูดก็ต้องเล้งระวังอีกทางกายทางวาจาเนี่ยถ้า ม, ามันมีศีลเนี่ยมีศีลคือศีลใจเราเนี่ย พอเราไม่ไปทำสิ่งเหล่านั้นแล้วใจเราก็เป็นปกติได้มีสติควบคุมจิตเราได้ดีพอสติเราดีมันก็ทันจิตอีกแหละพอมันจะไปมันก็ทันมีเหตุมันอยู่อย่างนี้นะมันผู้เี่ยวบอกทางไว้หมดเลยถ้ามันจิตมันสงบเข้ามาแล้วเนี่ยทีนี้มันก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอารมณ์ที่มันเคยสาคัญน่ะไม่มีความหมายอะไรมันเป็นแค่ความคิดเฉย บางทีอุทานขึ้นมาก็มีนะโอ้โหเนี่ยเราคิดได้ยังไงเนี้ยไอสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะมันก็มาในรูปของความคิดเท่านั้นเองอะ่ะดีบคั้นจิตใจเราเอาแล้วเรื่องราวมันยังมีอยู่่ะแล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงมีก็มียอมรับว่ามันมีแต่จิตของเราเนี่ยถ้าเราฝึกหัดดีพอแล้วมันแยกแยะออก เรื่องข้างนอกเป็นเรื่องข้างนอกเรื่องข้างในจิตเราต้องสงบก่อนต้องเข้ามาอยู่กับตัวเองซะก่อนอย่าเพิ่งให้มันไหลไปถ้าไหลไปเมื่อไหร่เอาสังขารที่ว้าวุ่น่ะมาแก้ปัญหาไม่ได้มันจึงพยายามที่จะฝึ ก, กจิตจนแยกออกมันมีปัญหายอมรับเลยเป็นปัญหาเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมมันต้องมีปัญหาให้เราขบคิด ให้เราแก้ปัญหาทุกวันถ้าเราแก้ได้มันก็ไม่เป็นปัญหามนขณะที่เรากำลังแก้ไขยอยู่เราก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาคิดว่าเรากำลังแก้ไขเฉ ย, ยๆราะเรากำลังแก้ไขยอยู่บอกตัวเองอย่างนี้มันก็เบาลงไปสิถ้ามีเรื่องราวอะไรขึ้นมาเนี่ยคิดว่าปัญหาออตายเนี่ยแล้วมีแต่ปัญหาเรามองใหม่ไม่ใช่ปัญหาเรากาลังหาทางออก กำลังหาทางออกไม่ใช่ปัญหาหาทางออกได้เมื่อไหร่ไม่ใช่ปัญหามันจึงมีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กำลังหาทางออกหาทางออกได้ก็จบกันไปไม่มีปัญหาไอ้ที่เคยเป็นปัญหาก็เลยไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคือเรากำลังหาทางออกเท่านั้นมันยังหาทางออกไม่ได้ มันก็ดูเป็นปัญหาดูหนักอกหนักใจหาทางออกได้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปทีนี้ต้องยับยัง้งจิตด้วยระหว่างที่กำลังหาทางออกมันชอบกังวลมันกลัวมันหวั่นไหวเราก็ต้องหัดมีสติรู้ทันพวกนี้แหละเนี่ยมันจึงต้องใช้สติควบคุมจิตล้วไว้ปัญญาก็ต้องมีขึ้นมาด้วย ก็มันยังหาทางออกไม่ได้กังวลใจไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสู้เราหาทางออกไปเรื่อยแต่ว่าไม่ให้มันเกิดความกังวลมันจึงเรียกว่าจิตเรามันฉลาดเราฉลาดถ้าหาว่าเราหาทางออกไปด้วยกังวลไปด้วยนี่แหละคือมันปัญหาอยู่ตรงเนี้ความกังวลแทรกเข้ามาเราไม่รู้เท่าทันมันทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งหวนไว เดีวมันก็จะส่งไปข้างนอกเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะเรื่องนี้มันไม่ย้อนเข้ามาหาเป็นเพราะจิตเราเนี่ยสติคุมจิตไม่ทนันปล่อยให้ความกังวลแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็ปรุงแต่งไปเรื่องราวก็เลยมากเพราะงั้นการทําความดีการทําในสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นพลังอานหนึ่งทำให้จิตนี้มีกําลัง มันมีความพอใจที่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราได้ทําความดีทําเพื่อพระศาสนาทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทําเพื่อส่วนรวมใจเรามันมีกําลังมีถ้าเร็วมีฉันทะฉันทะคือความพอใจเราพอใจที่จะทําในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ต้องมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าหากว่าทำอย่างเนี้ย พระพุทธเจ้ารับรองเลยเป็นไปไม่ได้ที่คนทําความดีทําในสิ่งที่ถูกต้องจะตกอวัยพุมพุทเจ้ารับรองไว้เลยนะคนที่ประพฤติมีความประพฤติสุจริตทางกายเมื่อกายแตกดับสลายไปจะตกนรกเพราะการทําสุจริตทางกายทํำในถูกต้องทางกายเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้เกียดไปตกอวัยพุม คนที่ทำสุจริตทางวาจาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้ที่จะตกอบายาภูมิคนที่มีสมาทิทิประพฤติสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาแล้วก็มีสมาทิทิไม่อยู่ในฐานะที่จะตกอบายาภูมิมันเป็นไปไม่ได้พุ้ย้ารับรองอย่างนี้แต่ต้องเงินข้ามพวกที่ทาทุจริตทางกายทางวาจา แล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไปสุขติไปสุขติก็เพราการกระทามือตัวเองไปทุคติก็เพราการกระทามือตัวเองนี่เพราะนั้นมันจึงต้องเข้ามาตรวจสอบว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพยังไงถ้าจิตของเรามันเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็จะมีพลัง จิตก็มีพลังกายก็มีพลังเวลาทําอะไรก็พยายามรักษาจิตไว้ไม่ให้มันไหลออกไปบางทีมันอยู่นิ่งๆ น, นั่งสมาธิอะไรมันก็อยู่มันสงบพอออกไปปับ๊บหายไปเลยหายไปหมดเลยเหมือนนักศึกษาเนี่ยที่เข้ามานั่งสมาธิกันเราสอนพานนั่งสงบเงียบพอเลิกปั๊เจ้าเจ้าเ เ, เ, เขาปล่อยเลย คือเขาไม่สามารถจะควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบได้เหมือนความสงบหายไปเลยหลุดไปเลยกลับสู่สภาพเดิมพอเขาปฏิบัติยังไม่ชํานาญสติยังไม่มีกําลังพอจิตสงบแล้วอยู่ภายในตัวเราแล้วเนี่ยมันเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมาขึ้นบางทีท่านถึงเปีเปยบเหมือนกับน้ํานะ เวลาจิตสงบเนี่ยท่านบอกเหมือนน้ำที่ไม่มีลมพัดอะผิวน้ำที่ไม่มีลมพัดอะมันสงบนิ่งไม่มีคลื่นแล้วก็ใสน้ำที่ใสเนี่ยมองอะไรก็เห็นถ้ามันมีอะไรอยู่เห็นนะคิดเราก็เหมือนกันเวลาเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะสงบนิ่งไม่มีคลื่นไม่มีอารมณ์ ที่มันเข้ามากุ้มลุมจิตใจจิตก็ใสขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาก็เห็นนะสิทินเนี่ถ้าจิตไม่สงบไม่นิ่งโอ้ยมันอะไรก็ไม่รู้กุ้มลุมอยู่ะเห็นแต่ไอสิ่งที่กุ้มลุมไม่ได้เห็นเห็นจิตอะไรเลยเนี่ยมันมีแต่โคลนแต่ตมมองอะไรก็ไม่เห็น คิดว่าเปรียบเทียบว่าเออคิดที่มันเป็นสมาธิเนี่ยจิงเหมือนกับน้ำที่ไม่มีลมพัดไม่มีคลื่นแล้วก็ใสไม่มีโคลนไม่มีตมมองอะไรก็ชัดงั้นก็มีกำลังด้วยถ้าว่ามันมีกำลังเพียงพอมันจะนุ่มนวลด้วยนะ จิตบางครั้งเนี่ยมันนุ่มนวล น, นะถ้ามันยังไม่ได้ที่มันก็แข็งกระด้างในจิตเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าวันนี้จิตเราแข็งแข็งทื่อๆไม่สบายไม่อ่อนไม่อ่อนโยนไม่นุ่มนวลเนี่ยอาการของจิตเรามีอารมณ์อะไรกระทบปั๊บเข้ามาไม่ถูกใจสักหน่อยมันจะแข็งทื่อขึ้นมาขุนเคืองขึ้นมาเนะี่ย แต่ถ้าหาว่าเราสามารถควบคุมจิตได้ให้จิตเราย้อนเข้ามาอยู่กับตัวเราได้มันสงบนิ่งใสนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยคือเราจะให้จิตทําอะไรมันก็ทําได้ทีนี่จะให้ดูอะไรตรงไหนก็ได้เราเอาอะไรขึ้นมาพิจรารณาไตร่ตรองทําความเข้าใจก็ง่ายชัดเจนด้วย นี่มันนั่งสมาธิมันพิจารณาโอ้ถ้าจิตของใครก็ตามที่มันสามารถที่จะเข้าไปหาจิตได้ทือุวางเรื่องข้างนอกได้จิตจะเป็นอิสระจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันก็เหลือแต่จิตดวงเดียวเลย จิตมันไม่ไปยึดอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นตัวรามกันมันไม่ยึดอะไรทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายที่กำลังเจ็บปวดกำลังมึนกำลังตึงกำลังเครียดมันเข้าไปหาจิตอย่างเดียววางหมดเลยบางทีไม่ได้เห็นอกจิตแต่ปัญญามันรู้ว่าจิตเนี่ยกับกายคนละส่วนก็เอาแบบรวบรัดเลยจิตเนี่ยเป็นนามธรรมกายเป็นรูปธรรม จิตไม่ใช่กายจิตต้องเป็นจิตนะเหมือนปักเข้าไปอาจิตเน้นที่นี่รวบรวมกําลังนะสติเนี่ยคือใช้ปัญญาอย่างเดียวเอาบางทีถ้าปัญญามันแข้มแข็งมันทําได้นะอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยจิตเป็นส่วนหนึ่งกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตต้องเป็นจิตคุมจิตอย่างเดียวเลยนะ าบางคนเข า, เขาทําได้ก็อยู่ในสติปัฏฐานนั่นสี่่ะเรียกิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแต่พวกนี้ต้องมีมีปัญญาคนที่มีปัญญามากๆเข้าไปหาจิตได้ใช้ปัญญาที่สูงสุดเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราเนี yeah. ่ยสุดท้ายเหลือแต่ผู้รู้มันรู้อยู่อย่างเดียว นี่ใช้ปัญญาปัญญาของบุเจ้าวเลยถ้าว่าคนไหนเข้าถึงปัญญาเองเปัญญาของตัวเองเนะี่แต่ถ้าหากว่าเออเราทํามันหนักนะที่นี่ในกำลังไม่พอก็ต้องมาดูกายบ้างลมเข้าลมออกอาการของลมอาการของกายนั่งเป็นยังไงเหล็กกายเราอยู่ยังไงเวทนามีไหม มาดูจิตดูอาการของจิตเนี่ยดูแค่อาการของจิตผู้ดูยังไม่เห็นนะเห็นแต่อาการของจิตนั่นคือกาลังของจิตเนี่ยยังไม่มากพออินทรีย์ยังไม่แก่กล้ายังไม่เป็นพละห้าสติยังไม่เป็นสติภรละสมาธิยังไม่เป็นสมาธิภรละ ยังไม่เป็นปัญญาภละศรัทธาภละวิริยะภละมันยังไม่เป็นภละมันไม่ชัดเจนถ้าเป็นภละขึ้นมาเนีย่ยผู้รู้เด่นมีผูร้รู้มีสิ่งถูกรู้เนื่การปฏิบัติเนี่ยตามวิธีของพระพุทธเจ้าหัวข้อธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในที่ต่างๆมันเกิดขึ้นที่จิตเราหมด ที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละคือวิธีของพระพุทธเจ้าในขณะนี้เหมือนกัเรากำลังเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้ผลมากได้ผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางทีร่างกายก็มีผลต่อจิตเหมือนกันอย่างร่างกายเราเป็นวัดเป็นไข้มันมึนระบบประสาทมันมันไม่ค่อยดีอย่างนี้ ใช้มันชัดเจนกว่าชัดเจนไม่ได้มันอ่อนมันเพลียมันก็ต้องการหลับนอนพักผ่อนธรรมชาติของร่างกายมันก็มีด้วยนะฝืนมันก็ไม่ได้ตรงนั้นตรงนี้ก็เจ็บก็ปวดบางทีมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราไปใช้มันมากมันผิดปกติมากมันก็วิกฤวิกาลได้มันก็ทําให้มีภาระที่จะต้องดูแลรักษาเยียวยามัน มากกว่าปกติมากกว่าเดิมเป็นภาระมากเราก็มีเหตุผลเราก็เอาพอประมาณแต่ถ้าใครกำลังใจดีร่างกายเออไม่ถึงกับวิกลวิการหรือเป็นอะไรเราก็เอาเวทนาเราเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราก็ได้มันเจ็บก็เจ็บเราฝึกจิตเราให้มีความอดทนในภายมันจิตเราจะได้รู้ว่า เวทนาเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่จิตอันนี้ยิ่งดีเลยเป็นความจริงกันเลยวัดผลให้มันเห็นผลต่อหน้าต่อ ต, อตาเลยว่าจิตเรามันยึดเวทนาหรือไม่ยึดเวทนาถ้ามันยึดเวทนาก็เป็นเราเจ็บเราปวดเราก็ทนไม่ได้แต่ถ้าจิตเราไม่ยึดเวทนาเนี่ยเจ็บปวดขนาดไหนมันก็วางได้แต่ก็มีขีดจํากัดนะเคยทดลองเรื่องเวทนาเนี่ย สู้ไปสู้ไปไปถึงจุดหนึ่งโอ้ยมันต้องออกไม่ออกไม่ได้คราวนี้เราเปลี่ยนไหม่อธิษฐานไห้ไม่ยอมออกสู้ได้ผ่านเพราะอาศัยกําลังของคําอธิษฐานช่วยวันหลังลองใหมาอีกลองไม่อธิษฐานจะให้ได้เหมือนกับครั้งที่อธิษฐานไว้ไม่ถึงทนไม่ได้ต้องอธิษฐานเออได้นั่นมันเพิ่มกำลังให้กับตัวเองก็หาอุบายหาวิธีของตัวเอง เวลาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเออเคยทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นนะมันก็ต้องมีอุบายมีแยบคายด้วยนะให้การปฏิบัติธรรมมันก้าวหน้าขึ้นบางทีเคยง่วงเจ็บปวดขึ้นมาเออความ ง, ง่วงหายไปเลยบางทีจิตตื่นขึ้นมาเ อ, อได้สู้กันสักหน่อยหนึ่งโอ้ยิ่งมีกำลังดีนี่ความ ง, ง่วงหายไปสติตื่นตัวขึ้นมา สู้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรากำลังฝึกจิตเราเนี่ยให้สติมันตื่นตัวเนี่ยเพราะเราต้องการฝึกสติจเจริญสติแต่พอมันมันรู้ช่องทางแล้วเนาะโอ้มันไม่กลัวหรอกวีทนานะถ้าควรสู้มันก็สู้แต่พอสู้ไปแล้วพอมันได้ประโยชน์แล้วมันก็ไม่รู้จะสู้ไปทำไมมันก็รู้ขึ้นมาอีกนยะ พอเวทนาเกิดขึ้นนี่สบายหนูจสู้ไปทําไมมันเข้าใจแล้วมันพอแล้วพอใจแล้วรู้ว่าเวทนาอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแน่ใจชัดเจนอยู่ในจิตจิตไม่ยุ่งทามันเจ็บมันปวดมากสมควรเปลี่ยนนยบทก็เปลี่ยนแต่ใจไม่เป็นทุกข์มันมาลงที่ใจนะทีนี้มันจึงไปเปรียบเทียบ ก, กับอย่างอื่นเหมือนกัน เราทำอะไรได้ขนาดไหนไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ให้ใจเราวุ่นวายให้ใจเราเป็นปกติบางทีสิ่งแวดล้อมมีคนเยอะมีคนสําคัญต่อเราจิตเรามก็หวันไหวไปแต่ถ้าว่าเราหยั่งเข้ามาหาจิตสติเราควบคุมจิตได้ มันก็แยกออกได้ข้างนอกเป็นข้างนอกข้างในเราจิตเราไปหวั่นไหวทำไมเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลขึ้นมานะเขาจะคิดยังไงเรื่องของเขาเขาว่าไนเรื่องของเขาเรื่องของเรารักษาจิตไว้เพราะนั้นมันจึงต้องมาเกี่ยวข้อ ง, ของการกระทำของเราต้องถูกต้องด้วยไม่งั้นมันรักษาจิตไม่ได้เพราะการกระทำของเรามันมีผลต่อจิตคาพูดของเรามีผลต่อจิต การกระทำที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต่อตน ต, ต่อคนอื่นคำพูดก็ต้องพูดจะมีเหตุมีผลในขณะที่พูดควบคุมจิตเป็นปกติได้นีน่นะเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยร่างกายเจ็บใครได้ป่วยยอมรับได้เิมเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ต้องรักษาจิตให้ได้ไม่เป็นทุกข์ไปเพราะความเจ็บความป่วยของร่างกาย ไม่งั้นมันจะทุกข์สองเท่าเลยทุกทางกายยังไม่พอทุกทางจิตอีกคือมันกลัวกังวลหวั่นไหวขึ้นมาเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาในจิตอยากจะหายไม่อยากเป็นกลัวมันไม่หายขณะที่อยากรักษาก็ อ, อยากหายไปด้วยคิดปรุงแต่งไว้ทั้งกลัวทั้งกังวลหวั่นไหวนี่มันแทรกเข้ามาอย่างนี้เราไม่ทันมันเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ย ไอสติควบคุมจิตเนี่ยมันจึงควบคุมไม่ให้จิตเราไหลไปกระสังขารต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีพอมันสงบเข้ามาแล้วบางทีมันรู้นะมันมีเรื่องที่มันไม่อยู่ในจิตที่มันรู้สึกมันมีปัญหาในจิตเราหรือมันมีอาการผิดปกติในจิตของเราเนี่ยมันก็ตรวจสอบได้มันก็เป็นปัญญาอันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าจิตไม่สงบมันไม่เข้าใจนะพอจิตสงบมามันมองเห็นเลย โอ้โหเนี่ยแค่นี้เราก็หวั่นไหวเลวเนี่ยมีอายเกิดขึ้นมีไม่แน่ใจเกิดขึ้นวางใจไม่ค่อยถูกมันย้อนดูได้เวลากิตเรามันสงบอันนั้นตื่นเต้นอันนี้ก็ขำหัวเราะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องของจิตทั้งนั้นเลยนี่ถ้หว่าเราปรับจิตเข้ามาหาความปกติอยู่เรื่อยๆนี่ก็ต้องฝึกด้วยนะ การฝึกคือการสํารวมการมีสติเรามีกําลังขึ้นสังเกตเวลาหลับตาเป็นอย่างหนึง่งแล้วเวลาลืมตาล่ะเป็นยังไง ร, รักษาไอ้ความสงบไอ้ความเป็นปกติของจิตได้ไหมได้นานหรือไม่นานได้มากได้น้อยแค่ไหนหรือว่ามันไม่อยู่เลยอ่ะลืมมาก็หายไปเลยลืมตาหรือมาก็หายไปเลยหรือว่ามาอยู่นิดนึงหรือว่าอยู่นานๆหรืออยู่ครึ่งวัน อยู่ได้แค่ไหนหรืออยู่ได้ตลอดหรือธรรมดาอยู่ได้แต่เวลากระทบอารมณ์แล้วมีอาการที่ผิดปกติบ้างนี่มันอยู่ในจิตทั้งนั้นเลยนะมันก็ไปตามภูมิของจิตด้วยนะถ้าหาว่าจิตใครสติดีมีกำลังควบคุมจิตได้ดีเวลานั่งมันก็สงบแล้วถ้า่าสติดีสมาธิมีกำลังมันก็สงบเร็ว ถ้าสติไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยดีก็สงบช้า้าว้มันยังไม่เป็นสมาธิเดี๋ยวจิตก็ลอยไปทางนั้นลอยไปทางนี้เรื่องราวก็มาราะว่าสติเรายังอดอ ก, กําลังเรายัางล้างอารมณ์ต่างๆที่มันค้างคาอยู่ในใจไม่ออกเรายัางล้างมันไม่ออกยิงเป็นแค่อารมณ์ไปแค่สังขารเปแค่ความคิดแต่เรา กำจัดมันออกไปไม่ได้คือสติเราอ่อนเรื่องราวต่างๆมันกุ้มลุมแล้วเวลามันกุ้มลุมเนี่ยสังเกตดูนะเวลามีสังขารกุ้มลุมมันจะส่งนอกเพ่งไปที่ข้างนอกเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะจิตมันคิดนึกปรุงแต่งไปเพราะกลังสติเราอ่อนควบคุมจิตไม่อยู่ สมาธิไม่มีกําลังมันจึงกั้นจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้มีเหตุมันอยู่ที่นี่นะในที่มันไหลไปทางโน้นไหลไปทางนีง้เพราะอันนั้นเพราะอันนี้นี่จิตของเราเนี่ยขาดสติถ้ารู้อย่างนี้เอออามีหวังละพอที่จะมาฝึกจิตแล้วะ แ, แก้ไขจิตแล้วถ้าไม่รู้อย่างนี้มันจะไปโทษข้างนอกหมดเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เนี่ย ถึงจะมีวิบากกรรมขนาดไหนก็ตามนะถ้าสติควบคุมได้เนี่ยหลมันจะใช้กรรมไปเลยมันว่าเข้ามาเป็นวิบากอรุงแต่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจทำให้ฟุ้งซ่านแต่พอ ร, รู้ทันว่ามันดับไปเนี่ยใช้กรรมไปแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ทันมันเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในจิตมีน้ำหนักอยู่ในจิตคราวนี้ก็คุ้นคิดใหญ่โตขึ้นมามันจะปกรรมใหม่แล้ว เป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมแล้วเป็นกายกรรมแต่ถ้าใครรู้ทันแล้วก็ดับมันไ ม, ม่ให้มันมีน้ําหนักอยู่ในจิตกรรมตรงนั้นก็ใช้ไปจบไปเหลือแต่กรรมอื่นเข้ามาอีกผลของมันวิบากของมันมีผลต่อจิตอีกมีสติรู้ทันอีกดับไปอีกเนี่ยกรรมมันก็สั้นลงสั้นลงน้อยลงพอมันใช้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหาว่ามันวูบเข้ามาแล้วสติเราอ่อนคุมมันไม่อยู่ปุ้งแต่งไปใจก็หยุดไม่ได้นี่มโนกรรมสร้างกรรมใหม่ทางจิตพูดอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกนี่วาจีกรรมทางคําพูดมันก็มาเก็บไว้ในจิตอีกนะกายกรรมก็มาเก็บไว้ในจิตนี่แหละการเวียนว่ายตายเกิด มันขาดสติขาดปัญญาที่จะไปตัดกระแสตรงนี้มันไหลเวียนอยู่ในจิตเราเนี่ยวิธีตัดนี้ผู้เจ้าสอนเอาไว้เนี่ยเพราะฉั้นเป้าหมายจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าให้จิตสงบอย่างเดียวแต่อาศัยที่มันสงบแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมาตัดกระแสตรงนี้ก็คือมีปัญญาเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยทางของมือเจ้าเป็นอย่างเนี้ย แรกเราเจริญสติเนี่ยเพื่อให้สติควบคุมจิตได้เพื่อจิตเป็นสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่สมาธิมีสมาธิก็เพื่อให้มันได้เกิดความเข้าใจาได้เห็นว่าเออความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ที่มันมากุ้มลุมจิตเราการที่จิตเรามันไหลไปพเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆมันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมา มันต้อเข้ามาหาจิตเนี่ยจิตเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาด้วยนะถ้าจิตเราสงบไม่ไหลไปเนี่ยเรื่องรา ม, มันก็จบเนี่ยนี่ยังอยู่ในขั้นสมาธิแล้วก็ปัญญาก็ตามมาคือมันรู้มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันก็รู้ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันบังคับบัญชามันไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อยากเมื่อไหร่เราก็เป็นทุกเมื่อ น, นั้น เนี่ยมันก็จะเข้ามาหาความอยากเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนี้ความอยากไปในจิตเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันสิ้นสุดไม่เป็นความอยากเนี่ยมันต้องมารู้ทันความอยากด้วยนี่นายพระเจ้าว่าสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาคือความอยากในจิตเรามันมีความอยากกรเพราะมันหลงมันไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเรามันคือเกลียวแห่งธรรมชาติ ร่างกายก็ยืมมาใช้ชั่วคราวจิตก็เป็นนามาทำเปลี่ยนแปลงไาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งจิตเรารู้ไม่ถึงมันมันก็เป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแล้วก็เป็นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่ละ่ะเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่นี่เวลาทุกข์มอท่านยินงให้กำนดรู้ให้พยายามดูมัน แล้วก็เห็นมันเกิดดับแล้วเห็นทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านถึงว่าทุกข์ให้กําหนดรู้ต้องกําหนดรู้เพราะเวลาพระพุทเจ้าทบทวนดูธรรมะเออทุกข์ให้กําหนดรู้เราก็กําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วก็กําหนดรู้แล้วเดียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามันสมบูรณ์ขึ้นมารู้แล้วรู้แล้วก็คือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเพราะเห็นของทุกข์ก็คือความอยากของเราเอง มันจึงไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรื่องจิตของเรามันอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เรื่องราวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมก็อยากให้สภาวะธรรมเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันมีความอยากอยู่ตลอดอยู่ร่วมกันกับอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เราอยู่งั้นอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันมีแต่ความอยากมันไม่สามารถรู้เท่าทัน อาการที่เกิดขึ้นในจิตของเรามันก็เป็นตัวเราขึ้นมาถ้าหากว่าเออใครรู้ทันนะเห็นพวกนี้มันเกิดดับเห็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่งเราจะดูสงบจะดูวางเฉยเป็นอุเบกขามากเนี่ยธรรมะก็อยู่ตรงนี้มันก็ดูออกถ้าหาว่าใครมันยังไม่เห็นไอ้พวกนี้มันเกิดดับเป็นตัวเป็นตนก็แสดงตัวตนออกมาฉันสําคัญฉันเก่งฉันฉลาด ยาการก็ออกมาตามความคิดมันก็แสดงออกตัวตนมันก็อยู่ในนั้นคนที่ภูมิจิตเขาสูงเขาก็ดูออกโอยนี่มันมานะทั้งนั้นเลยอ่ะทิฏฐิมานะความเห็นเชื่อความเห็นแล้วเอาไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้เป็นตัวเป็นต น, ตนตไม่รู้ตัวถ้าใครไปสะกิดหน่อยเอา้าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนั้นทีนี้ไม่มีใครกล้า บ, บอกถ้าไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็เป็นทุกข์อีก ก็ต้องพยายามทำให้ได้ตามที่ต้องการก็แสดงออกมาทางคาพูดทางการกระทาคิดก่อนถ้ามันกระทบกับคนอื่นมันก็ทำให้มีปัญหามันเป็นเรื่องจิตของแต่ละคนทั้งนั้นเลยเพราะนั้นถ้าใครเนี่ยเห็นเห็นว่าเออมันเป็นแค่อาการของจิตมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็จะเบาลงเรื่อยๆตามความรู้แจ้งอันนี้ มันเห็นด้วยจิตด้วยนะแล้วก็ต้องเห็นในสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็คิดเอาไม่ได้เป็นแค่ความคิดอันนี้ในสมาธิไม่ได้คิดเห็นเลยอันนี้เกิดแล้วก็ดับของมันไอ้จิมก็ดูอยู่เฉยๆภาษาใจเรื่องที่ว่าเคยใหญ่โตมาโหรานอยู่มันไร้สาระเลยนะเกิดแล้วก็ดับมันสำคัญอยู่ตรงที่เราไปหลงมันยึดมันถือมันมันหรือเปล่าให้ความสาคัญมันหมายมันหรือเปล่านี่ มันก็บางทิดจิตนี้แต่ใครไม่รู้ทันตรงนี้มีตัวมีตนอยู่ในความคิดในความเห็นในความรู้สึกบางทีคิดเอานึกเอาเชื่อไปตามความคิดบางทีก็เปรียบเทียบเ อ, ออย่างนี้ดีนี่คือมันถูกใจไม่ดีก็คือไม่ถูกใจ มันเป็นเรื่องความถูกใจไม่ถูกใจไปไม่ใช่ดีจริงบางทีเอาของเอาวัตถุมาเปรียบเทียบกันของฉันดีกว่าของเธอได้วกว่านี่เป็นตัวตนได้ด้วยนะบางทีเอาความรู้ความฉลาดทั้งโลกมาเปรียบเทียบกันฉันรู้มากกว่านี่แหละมันเกิดจากการเปรียบเทียบเรียกมานะ เรว่าตัณหาความอยากเาเรื่องตัณหากรรามาตัณหามันก็ทำให้เป็นทุกข์ง่ามานะตัณหานี่เป็นประเภทอยากได้บางคนในความอยากได้มันรุนแรงมันมากเห็นอะไรมันก็อยากได้ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็เอาละเริ่มหงุดหงิดบางคนได้มากกว่าเอาอีกละหงดหงิดง ก็ต้องระวังเนี่ยบางคนนุ้ยไอ้พวกนี้มันพอแล้วเขาไม่เอาแล้วเฉยๆเรื่องวัตถุเฉยเลยแต่เรื่องฐานะทางสังคมดีนี่เรื่องตัวเรื่องตน อ, อยากได้อยากใหญ่เนี่ยเ น, นีี่ตัวมานะมันอยากใหญ่อยาอ่าโกยอย่าอวดอวดดีอวดเกง่งอวดฉลาดฉันเก่งเนี่ยมันมีตัวตนอยู่ในนั้นอยากใหญ่ตรงเนี้ย บางคนก็ใหญ่ไม่ได้ก็ด้อยลงไปเลยนะเศร้าซึมไปเลยหงอยไปเลยเอาอันนี้มามาเป็นข้ออ้างทำตัวให้เศร้าทำตัวให้ด้อยก็ไม่ถูกอีกเพราะมันไม่เป็นปกติสติมันควบคุคมจิตไม่ได้เหมือนสุนัขเวลามันมันยอมแพ้ลดหางนอนหงาย มายอมให้ตัวมีอำนาจส่งเสียงคำรามจต่ปกหน่อยครูคำรามเนี่ยอาการของมานะคนก็เหมือนกันใช้สายตาเจ้องขมิงใช้เสียงตะวาดเนี่พวกมานะทั้งนั้นท่าทางทิฐิ คือเชื่อในความเห็นของตัวเองแต่หกใจแคบตัณหาเนี่ยเลยอยากได้อยากใหญ่คือมานะใจแคบคือทิฏฐิมีแต่ความเห็นของตัวเองไม่ฟังความเห็นของคนอื่น ย, ยึดความเห็นของตัวเองแล้วก็อยากให้คนอื่นเขาเห็นด้วยอยากให้คนยอมรับความเห็นของเรา อย่าความเห็นของเรามันถูกแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันไหนมันถูกต้องความเห็นของใครก็ได้แม้ความเห็นของเราก็ไม่ยึดว่าเป็นความเห็นของเราเป็นแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ทำกันถ้ามันไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำความเห็นของใครก็ช่างนี่คือไม่ยึดความเห็นละทิถีได้ สัพท si ์ลระคัมภ ta ีร <ad> ์ขอนมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้กลยจากเลสสมมาสมคุตทศชาตระสรู้ชอบกาโดยพระองค์เอง